ความห่วงใยของพ่อแม่แม้ตายจากไปแล้วพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกอยากจะให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝามีหลักมีฐานมั่นคงนี่เรามาเอาจุดนี้สร้างหลักฐานให้มั่นคงท่านไปแล้วถ้าหากว่าท่านยังอยู่โลกอื่นท่านมองเห็นพวกเราอยู่ทุกขณะไม่ว่าเราจะขยับไปทางไหน ขนาดแม่ของหลวงพ่อเนี่ยตอนที่หลวงพ่อป่วยอยู่วัดบูรพารามเมืองอุบลตายไปแล้วก็ยังมาเยี่ยมพ่อก็มาด้วยแต่ว่าพ่อขึ้นมาไม่ได้แม่เข้าไปถึงห้องนอนพอรู้ว่าแม่มาท่านบอกว่าแม่มาเยี่ยมถามว่าพ่อมาด้วยไ้มท่านตอบว่ามาด้วยมันกันอยู่ไหนล่ะอยู่ข้างล่าง ทำไมไม่ขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้มันร้อนแสดงว่าพ่อบาปหนักสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยพ่อเป็นนักเลงเจ้าชู้ลูกใครเมียใครไม่เลือกว่ากันใบอุดตลุดถึงเราไม่รบกวนท่านก็มองดูเราอยู่เราสุขทุกข์อย่างไรท่านก็รู้เว้นเสียแต่ว่าท่านไปเกิดเป็นสิ่งที่มีร่างกายมีจิตใจ อย่างสามัญธรรมดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้เป็นผูดผีปีศาจเป็นเปรตอสุรกายเทวดาอินพรหมท่านมองดูเราอยู่ตลอดถึงท่านไปไหนท่านก็ต้องมองดูเราถ้าหากเป็นพวกวิญญาณในโลกอื่นเขารู้หมดเราขยับเขยื่อนไปทางไหนเขารู้หมดสายตาเขากลา ย, ยิ่งกว่าเราเสียอีกคนเราเป็นเป็นอยู่เนี่ย ไม่มีฤทธิ์มีอิทธิพลอำนาจอะไรนักหนาแต่เมื่อตายไปแล้วไปสู่โลกวิญญาณเกิดมีฤทธิ์มีอิทธิพลมีอำนาจสามารถที่จะทำให้กุฏิหลังเนี้ยไหวโยบยยบก็ได้ถ้าอยากให้ท่านสบายใจสร้างหลักฐานตัวเองให้มั่นคง